จเจริญพรถูกทุกท่านวันนี้ฝนตกฝนตกประเทศนะอย่างดีมีสาราทีแรกได้ยินประเทศกลารแจ้งคงต้องหาเสื้อฝนมาใส่แเพศวันนี้พวกเราปรารบเตุคือภาษาไทยง่ายๆหาเรื่องปรารภเพจหาเรื่องคืออาศัย ความไม่สบายขอให้ใยคำพนทำให้เรามาชุมนุมกันฟังธรรมตอนไปนี้เป็นเวลาฟังธรรมนะพวกเราก็สำรวมไม่ถึงขนาดต้องนั่งหลับหูหลับตาเลยแต่สำรวมที่สำคัญมากเลยก็คือเลิกถ่ายรูปได้ละ <c oughs> <c oughs> เวลาฟังธรรมรือเวลาเข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้า แเราต้องฟังด้วยความเคารพไม่ใช่นึกเกี่ยวกว่ากล้องกดเอากดเอานะมันทำให้สมาธิของเราเองไม่มีกลับบ้านไปสิ่งที่เราได้ได้รูปไมธรรมะไม่เข้ามาในใจของเราเลยถือว่าอาภัพอาภัพอย่างยิ่งเลยฟังธรรมทั้งทีแล้วไม่ได้ธรรมะได้รูปกลับบ้าน เราต้องเอาธรรมะมาสู่หัวใจของเราให้ได้เวลาจะฟังทำทํำยังไงธรรมะมันจะมาสู่ใจเราใช่เราต้องเปิดสงบนะเปิดไม่ใช่สงบแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ข้างในเงีบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นมาให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว่ เวลาเราฟังธรรมธรรมะมันจะเข้ามาสู่ใจถ้าเราฟังแค่เสียงมากระถูกหูเข้าหูเรามีสองหูเข้าทีนี้ออกางนี้ถ้าฟังให้เข้าใจใจเรามีใจเดียวเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งในจิตใจของเรานี้เมื่อเราฟังธรรมแล้วธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรา เราจะทำไปปฏิบัติได้แท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของกายของใจเรานี้เองกายกับใจนั่นแหละคืออุปกรณ์คือสิ่งที่เราจะเรียนถ้าเราไม่มีกายเราไม่มีใจล้วก็เราขาด ขาดสิ่งที่จะเรียนและการเรียนรู้นะัเรียนอยู่ที่การที่ใจเองบางคนมีร่างกายมีจิตใจแต่ว่าเราลืมมันไปเรียกว่าทิ้งสิ่งสำคัญที่สุดไปมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจคือภาวะของพวกใจลอยรู้จักใจลอยไหม เวลาเราใจลอยมันมีร่างกายเราก็ลืมมันยุงกัดเราไปยังไม่รู้เลยเคยไั้ยุงกัดเป็นยุงนะตัวอ้วนบินไม่ไหวแล้วนะตกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามันกัดแล้วมันหนีไปนะยังเจ็บใจไม่มากเท่ามันมาตกอยู่ต่อหน้าเรานะี่มันอ้วน <c oughs> ถ้าใจลอยสัอย่างเดียวนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมอย่างเวลาความสุขความทุกข์ ความดีความชั่วเกิดขึ้นมาคนใจลอยไม่เห็นยกตัวอย่างนะอย่างเราขับรถแต่คนมาปาดหน้าเราใจเราจะไปอยู่กับไอ้คนที่ปาดเราเราดื่มร่างกายดื่มจิตใจของตัวเองไปขณะนั้นความโกรธความกําใจนะมัคือพวกกดแตรด่ามันใครได้ยินตัวเองก็ได้ยินนั่นแหละบางทีก็นั่งดา่าอยู่ในรถนะนั่งดา่าใครได้ยิน หูเราจะอยู่ใกล้ปากเรานะใกลกว่าเพื่อนเลยได้ยินมากกว่าคนอื่นถ้าคนมีเวรมีกรรมร่วมกันกคือคนที่นั่งข้างๆเราไอ้คนนั้นไม่ได้ยินน่าเจ็บใจไหมด่าให้ใครฟังด่าให้ตัวเองฟังขนาดนั้นสังเกตไหมเวลาคนมาปาดหน้าเราเราสนใจอะไรเราสนใจไอ้คนนั้นเราจะดูมันมันไปไหนละเดี๋ยวเราจะไปปาดคืน ลองสารภาพซิใครขับรถแล้วเคยไปปาดคืนเขาบ้างมีไหมยกมือหน่อยมีน้อยนะน่าอาัศจรรย์อะไรมันจะดีปาด น, นั้นแล้วมีไหมกแดแด่าใครเคยกดแสดายกมือสิหลวงพ่อพยกงด้วยอนะาจานเป็นโยมก็เอาเหมือนกันนะไม่ใช่มิเศษวิโสอะไรหรอกใส่ค่อยๆฝึกเอา อย่างตอนนี้ใครมาด่าหลบพ่อหลพ่อยิ้มเลยไม่ไม่โมโหหรอกเองด่าน่าสงสารนั้นเลยข้านั่งฟังสนุกดีเลยได้แง่มุมใหม่ๆนะบางทีคนมาด่าเราเนี่เขาเข้าใจคิดไหยอจริยะที่ฟ้าประทานในรอบขันปีเนี่ยเวลาเรามองเห็นเราก็ลืมตัวเราเองเราไปรู้อะไรรู้สิ่งที่เราเห็น เวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเขาพูยกันใจเราไปอยู่กับเขานะบ้านใกล้ๆกันคนในเมืองบ้านอยู่ติดๆกันที่คนข้างบ้านเขามีเรื่องซุบซิบกันถ้าเขาคุยปกติเราก็เฉยเฉยนะแล้วเคุยแอบกระซิบกระซิบเนะี่ยแม่เราพยายามฝึกทิพสอดนะเนี่ยทิพซอดใหี่ยมันคุยอะไรมันว่าเราหรือเปล่าในขณะนั้นนะ่ใจเราไปอยู่ที่เขา เรามีร่างกายเราลืมร่างกายนะเรามีจิตใจก็ลืมจิตใจเวลาตามองเห็นก็รู้แต่สิ่งที่เห็นรู้แต่รูปที่เห็นลืมกายลืมใจเวลาบูได้ยินเสียงรู้แต่สิ่งที่ได้ยินลืมกายลืมใจบ้านใครข้างบ้านมีหมาบ้างมีไหห ม, มาข้างบ้านกลางคืนได้เห่าไหเวลาหมาเห่าตอนกลางคืนเราอยากนอนนะเรารู้สึกเป็นไงสดชื่น เหมือนเสียงจิ้งหรีดเร่ ร, ร้องเนีมันรู้สึกแบบโมโหวเวลาโมโหหมาเรานึกถึงอะไรนึกถึงหมาสิเนี่ยใจเราคึกถึงเขานะเราก็ลืมตัวเราเองเนี่ยเวลาใจเราคิดนะเราก็ลืมตัวเราเองอเวลาตาเห็นรูปก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึก ลืมตัวเองตลอดรู้อะไรรู้รูป ร, รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายรู้ธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจนี่เรารู้ออกไปภายนอกตลอดเลยจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถมาเรียนรู้ธรรมะได้เลยธรรมะนั้นแสดงอยู่ในกายในใจของเราเนี่ย พอเราใจลอยเสร็แล้วมีกายลืมกายมีใจลืมใจมันจะไปเรียนธรรมะได้ยังไงมันก็มัวแต่เรียนเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องปุถุพราเรื่องธรรมารมณ์ภายนอกทั้งหมดเลยงั้นสิ่งแรกนะที่พวกเราจะต้องฝึกนะก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีกรรมฐานจนํานวนมหาศาลหลวงพ่อไม่บอกหรอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนมันดีทุกแบบนะถ้าทําถูก ถ้าทำผิดนั้นก็ผิดทุกแบบถูกก็ถูกแบบเดียวกั น, นถ้าทำผิดก็ผิดแบบเดียวกันอ <lava> ย่างถ้าเราหัดพูดโธพุดโธนะแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปพุดโธพูดโธใจหนีไปคิดรู้ทันอ่านี้ภาวะแห่งความตื่นก็เกิดขึ้นหรือเราชอบรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปสักพักหนึ่งลืมตัว ใจนีไปคิดเรื่องอื่นล้ลืมตัวเรารู้ไวๆ่คอยรู้ไว่ว่ว่าใจมันหนีไปแล้วงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กฝึกอนัปปานสติงั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่จําเป็นต้องฝึกอนัปปานสติอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะถนาดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธ ถนัดรู้ร่างกายหายใจก็รู้ไปถนัดรู้ร่างกายแสดงอิทธิยาบท4ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปถนัดจะขยับทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเตียนก็ทําไปอะไรก็ได้ตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่จังหวะตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่การหายใจตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่คําบริกรรมตัวสําคัญก็คือความรู้สึกตัวยั้นตัวสําคัญตัวแตกหักอยู่ตรงนี้ที่หลวงพ่อคําเขียนท่านบน ท่านยังพูดเลยว่าไอ้สิจังหวะอะไรเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้ให้ความสําคัญมากเลยนะจังหวะเนี่ยทั้งๆที่ท่านลูกศิลป์หลวงพ่อเทียนท่านเข้าถึงแก่นท่านบอกไอ้จังหวะพวกนี้มันมาทีหลังไม่สําคัญหรอกสําคัญคือสติสติสภาพไปเยี่ยมท่านก่อนท่านจะพูดไม่ได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายสอนที่อย่างพูดได้ท่านยกมือเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วที่สอนเรื่องความมีสติอยู่ แันว่ า, ยยางี้นะส่วนให ญ, ญ่ไปติดที่รูปแบบเดินจงกรมต้องเดินท่านี้เดินท่าอื่นผิดเนี่ยพราะคนข้างขาข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวแล้วคนขามันไม่เท่ากันน่ะต้องเดินเหมือนกันนะมันพิการนะมันเมื่อยนะเอทำไมจะต้องนั่งท่านี้นะหลวงพ่อทำอนาปารรนสตินะไม่ได้นั่งปับเพียบไม่ได้ตั่งขัดสมาธินะนั่งเก้าอี้ทําไมทําได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่น่ะ ปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยคืองานของจิตงานของใจของเราเองทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมีความสุขเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละเคล็ดลับมี2ตัวนะอันแรกทำแล้วมีความสุขอันที่สองอันนั้นกรรมาฐานอันนั้นต้องไม่เป็นกรรมาฐานที่ยั่วกิเลสให้เกิดขึ้นอย่างนั่งตกปลามีความสุขไหมบางคนตกปลามีความสุขนะแต่มันยั่วกิเลส หรือว่างคนมีสมาธิมากเลยนะนั่งดูจอมอนิเตอร์ดูหุ่นหุ่นขึ้นหุ่ น, น, นลงเนี่ยบอกทํากรรมฐานกรรมฐานอะไรใจไปอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจกิเลสก็เพิ่มตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ไม่ได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรากรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสอย่างพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณพระสงฆ์ คิดถึงทานคิดถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงความเมตตาคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายเป็นส่นสวนๆผมเปิดเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ยั่วกิเลสนะมาคอยดูอย่างนี้ไม่ยั่วกิเลสหรือรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้หลวพ่อไม่ได้บอกให้ไปดูที่ลมหายใจนะหลวบอกร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้ไม่ต้องไปโฟกัสหรือคอนเซนเทรตความรู้สึกของเราไปอยู่ที่จุดใด จ, จุดหนึ่งรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจไปนะดูอิริยาบถสี่ก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปอย่าไปจ้องมนองันควรจ้องนะใจมันจะเครียดเนี่ยทำให้ดูเนี่ยจ้องลมหายใจนี่โอเวอร์แอคชั่นนิดนึงนะเพื่อให้ดูง่าย เนี่ยถ้ารู้อิเดีาบทกัหันมาหมาหางจุกก้นเลยเนึกว่าจะกัดจับมันทากรรมาฐานนะอะไรก็ได้ต้องมีความสุขในจิตตัวนี้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเราหายใจรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วมีความสุขนะหายใจไปนะมันไม่โยกจิเลศลมหายใจถนัดพุดโทโธก็พุโทโธ ขยับมือไม่ได้ย่อกิเลสอะไรนะทำจังหวะรู้สึกตัวไปทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตชี้บท อ, อยู่แค่นี้เองทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตของตัวเองตรงนี้อยู่ในขั้นเจริญปัญญาหรือยังยังตรงที่เราคอยรู้ทันจิตเนี่ยอยู่ในขั้นจิตตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องคือภาวะแห่งความตื่น งั้นอย่างจะมมติว่าเราขยับมืออย่างเงี้ยใจหนีไปคิดเรารู้ทันทำวิปัสนาอย่างยังสิ่งที่ได้คืออะไรใจไม่หนีไปคิดใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ความสุขได้ความสงบงั้นอย่างเราขยับมือนะเราไม่คิดอะไรวันวันมีแต่ความสุขอยู่ยนี่ไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะยัง ก, ก้าวไปไม่ถึงวิปัสนาอย่างแค่เห็นอะไรเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่วิปัสนานะ หรือเห็นจิตอยู่จ้องเฝ้าอยู่ที่จิตไม่ใช่วิปนะัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามถ้าเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานี่แค่ว่าไม่ใจลอยไปแต่ว่านิ่งรู้ตัวอยู่เฉยๆยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแค่ได้สมาธิเท่านั้นเองเราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยทําแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเรารู้รู้เราได้อะไรได้สมาธิ ทย่ไรนะไม่ใช่ได้ปัญญานะจะ ไ, ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วเราต้องมาฝึกต่อให้เกิดปัญญาเนี่เรามีกายแลเรามีกายเรามีใจล้ร่างกายเรายังอยู่ไม่หายไปไหนจิตใจยังอยู่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยง่ายๆเลยนะคือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่คือคำว่าสมาธิ คือสภาที่บสภาว่าที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่อยู่แบบเครียดด้วยอยู่สบายๆตัวนี้คือสมาธิถ้าจะเดินปัญญาต่อเนี่ยเราใช้ใจที่สบายเนี่ยนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานร่างกายเราทำงานตลอดเวลาเชื่อไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็คันคันกรเก่า มานั่งตรงนี้ใครเก่าแล้วบ้างรู้ตัวหรือเปล่าเกือบทุกคนเลยยังจะริงเนี่ยนั่งนิ่งๆไม่เป็นหรอกนั่งเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยพอหลวงพ่อถามว่าใครเก่าบ้างยังไม่ได้เก่าเลยเพราะอะไรตอนนี้มันขาดสติเนียมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่เห็นหรอกร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้า นั่งอยู่แท้ๆนะก็ไม่ได้นั่งนิ่งนั่งแล้วขยับนะมันนั่งตัวนี้เมื่อยแล้วขยับอีกหน่อยขยับไปขยับมาไม่มีนิ่งเลย่งนะมันนิ่งไม่ได้หรอกเรากลิงเนี้ยสายเลือดเดียวกันนะยะยังไงก็ไปยุกไยิบไปยุกยิบไปเรนะื่อยอ่ะเพราะอะไรความทุกข์มันบีบคั้นมันนั่งอยู่ความทุกข์มันบีบคั้นแนละ้มันเมื่อยเราก็ต้องขยับขยับขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อย แต่ถ้าเราไปทําใจล่องลอยลืมเด้อลืมตัวนะร่างกายขันเราก็ไม่รู้ร่างกายเจ็บปวดเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยมีร่างกายอยู่แต่รู้สึกเฉยเลยนะบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับกา ย, ยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันรู้ตัวอยู่นะมีร่างกายอยู่นะแต่มันเฉยเฉยเกินไปถ้าหากจิตเราเนี่ยสุดโตไปข้างหลง คือมัวแต่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นนรสในผลท้านในธรรมารมณ์ของข้างนอกเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจถ้าเมื่ อ, อไหร่จิตสุดโตะไปข้างบังคับกายบังคับใจเพ่งอยู่จ้องกายจ้องใจอยู่เราจะไม่เห็นใจรักนะไม่จะนิ่งไม่มีใจรักให้ดูแต่ถ้าใจลอยไปเลยเนี่ยไม่มีกายมีใจให้ดูพอละระดับกันนะไม่มีกายมีใจให้ดูเนี่ยเข้าขั้นแย่สุดขีดละมีโอกาสไปอบายละนะ ลืมตัวอย่างขาดสติแต่ว่ามีกายมีใจให้ดูแล้วก็ดูจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจเนี่ยขยับมือก็จ้องอยู่ที่มือไม่เคลื่อนเลยนะรู้สึกตลอดรู้สึกตลอดจิตอยู่กับมือมีมือไม่มีมีร่างกายไม่มีแต่มันนิ่งอะไรนิ่งใจมันนิ่งมันจะไม่ดูให้เห็นหรอกว่ากายนี้ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เห็นหรอกนะมันจะนิ่งอย่างเดียวย เพราะฉั้นเวลาที่เราทํากรรมฐานนะถ้าใจเราลอยไปเรารู้ทันใจเราก็อยู่กันเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู่นิ่งเฉยๆให้ดูกายก็ทํางานให้ดูใจก็ทํางานตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา น, นถ้าเห็นแต่ร่างกาย จ, อจอย้องจ้องเฉยๆจ้อไปยักหน้ายิ้ม อย่เนี้ยนะทีนี้ไม่มีทางรูไตรลักษอะไรเลยนะมันจะทำตัวเหมือนผิดธรรมชาตินะผิดมนุษย์มนาปกติงั้นเราต้องใช้สภาวะนะจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหละแล้วมาดูกายเขาทำงานมาดูใจเขาทำงานถ้ามันไปรู้ตัวอยู่เฉยเฉยไม่ยอมดูไตรลักษ์ของกายของใจจะทำยังไงมีไหมคนชนิดนี้มีเยอะเลยในวงกรรมฐานคนที่ติดสมถานี่แหละ ติดสมถะแล้วนี่จะนิ่งอย่างนี้เนีย่ยทำเหมือนจริงเลยนะข้างในก็เป็นจริงๆเลยเนีย่ยไม่มีใจรักอะกายมันก็นิ่งนะใจมันก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดูถ้ามันนิ่งอย่างนี้ทํำยังไงถ้ามันนิ่งอย่างนี้ให้คิดพิจารณาเลยเนะีย่ยครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยชอบบอกให้พุโทโธหายใจไปพุโทโธไปพอจิตสงบแล้วให้คิดพิจรารณาร่างกาย คิดร่างกายเนี่ยเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคิดนํำมันไปคิดนําเพื่ออะไรเพื่อให้จิตหัดดูดไตรลักแต่การคิดนําเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยรู้ตัวอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้นะแล้วบางคนรู้ตัวเฉยๆยใช้ไม่ได้ต้องกระตุ้นให้จิตหัดเดิดปัญญา แต่คนบางคนเนี่ยเคยเจริญปัญญามาไทยชาติก่อนๆแล้วพอจิตมารู้สึกตัวปุ๊บเนะ่ยมันจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันจะแยกออกไปอยู่แต่ละส่วนแต่ละส่วนคําว่าส่วนคําว่าส่วนในภาษาไทยเนี่ยตรงกับคําบาลีนะว่าคําว่าขันเคยได้ยินคําว่าขันไหมขันก็คือส่วนนั่นแหละสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรามีห้าขัน คือมี5ส่วนส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนที่เป็นความจําได้หมายรู้ส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะหรือปรุงที่เข้าได้ทั้งดีแลนะชั่วแล้วก็ส่วนแห่งความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณเนี่ยสิ่งที่มาประกอบเราก็มีอยู่5ส่วนนี้แหลนะถ้าใจเราตั้งมั่นปุ๊บแล้วเราเห็นนะร่างกาย เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แยกเป็นอย่างน้อยเป็นสองต้องแยกอย่างน้อยเป็นสองนะแล้วหนึ่งในสองคือจิตนั่นแหละถึงจะเดินวิปัสสนาได้จิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอันนี้ถึงจะทำได้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูอันนี้ถึงจะเดินวิปัสสนาได้ความดีความชั่วเกิดขึ้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปเนี่ยเนี่ยถ้า อย่างน้อยต้องมีสองอันแล้วอันหนึ่งนั้นต้องคือจิตคือตัวรู้ตัวจิตใจของเรานี่เองงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กันเดียวกับตัวเพื่อจะได้มีไอ้ตัวที่หนึ่งนี้มีตัวที่หนึ่งแล้วนะดูสิ่งที่จิตจะรู้เข้ารู้อะไรรู้ร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราทันทีเลย เห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราทันทีหลวพ่อจะพาพวกเราดูง่ายมากเลยเรื่องง่ายง่ายแต่กว่าจะง่ายนะยากมาก่อนนะเอาทุกคนยิ้มหวานยิ้มให้หวานเลยนะคล้ายๆมีคนมาบอกรักเราห้าสิบคนพร้อมกันหรือเยอะไปเยอะไปมากไปอา้าวสองคนพร้อมกันเลยเท่มากเลยเห็นไหมร่างกายกําลังยิ้มเนี่ยเห็นไหมร่างกายกําลังยิม้มเราทําหน้าบึ่อสิแกล้งทําหน้าบึ่อ มันได้ข่าวว่าไอโบนัสที่รับมาแล้วก็จะเรียกคืนทําหน้าบึ้งสิพุ้มใจทําหน้าบึง้งบึงเครียดเียดน่อเห็นตัวเองทําหน้าบึ้งไหมเห็นเห็นด้วยความรู้สึกไหมตัวหน้าบึ้งเนี่ยดูยากกว่าตัวยิ้มสังเกตไหยตัวยิ้มมันสบายใจสบายใจเนี่ยจิตมันมีสมาธิง่ายเอายิ้มใหม่ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้ม ยักหน้าสิยักเบาๆนะยังไม่ต้องรุนแรงเดี๋ยวคอหักนะสบายๆเห็นร่างกายหนึ่งเคลื่อนไหวไหมใจเป็นคนดูเอามือขึ้นมาแล้วขยับมือซนะิแล้วรู้สึก เ, เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ขยับมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าจะต่อจากอาจารย์คําพนก็อย่างนี้ไอ้ตัวนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหลักอันเดียวกัน ถ้าพลาดจากหลักนี้ก็อผิดหมดแล้วใช้ไม่ได้ลนะกลายเป็นเพ่งเฉยๆไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกขึ้นไม่ได้เนี่ยเพ่งอยู่ที่มือจ้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ขึ้นวิปัสสนานะนั่นเราต้องหัดนะหัดเริ่มจากยิ้มหวานๆเคลื่อนไหวลองหันซ้ายหันขวาซิตอนนี้เมื่อยแล้วนั่งนานแล้วขยับขยับหน่อยน ะ, ะขยับ อย่าให้ใจมันหนีไปนะขยับหมันเกินไปนะอจิตใจหนีไปหมดใช้ไม่ได้นะ้จิตใจต้องอยู่กันเรื่องตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูไปเดินจงกรมก็ใช้หลักเดียวกันนี้นะเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูต้องแยกแบบนี้ให้ได้นะค่อยค่อ ย, อยฝึกไปแต่ถ้าจ้องเดินจงกรมไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเครียดเปล่า ใครใครเดินจงกรมบ้างใครเดินจงกรมบ้างเดินลวเมื่อยไหมกี่นาทีเมื่อยบางคนสิบห้านาทีก็เมื่อย น, นะเวลาช้อปปิ้งน่ะสามชั่วโมงยังไม่เมื่อยเลยเพราะอะไรเพราะการเดินนั้นมันเป็นธรรมดาแต่ว่าตอนช้อปปิ้งขาดสตินะต่อไปนี้ทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวนะจะเดินจะเดินไปขึ้นรถจะจกระทั่งจะวิ่งหนีฝนนะ เห็นร่างกายเส้่อนไหวใจเป็นคนดูไปค่อยๆฝึกนะฝึกแล้วเราจะได้แก่นคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอนมาที่ผู้เท่าเจ้าท่านสอนต่อกันมานี้แล้วนะไม่งั้นเราจะกลายเป็นนักเพ่องอยู่เฉยๆหรืออย่างอย่างนี้ผิดนะเช่นเราขยับไปเงี้ยพอใจคิดเอาดูทันไม่คิดแล้วก็หยุดอยู่ตรงเนี้ยไม่คิดมุ่งไปที่ไม่คิดนะตรงนี้คือสมถะนะมุ่งไปที่ไม่คิดเนี่ยคือสมถะนะ จิตคิดได้แต่ว่าคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันสัมภารู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะนั้นอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้มีแต่ความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะใจหนีไปคิดก็รู้ทันขยับไปไม่คิดอะไรมีความสุขสุขแบบเดียวกับต้นไม้เปียกเลยนะ สุกเหมือนต้นไม้สุกเหมือนก้อนหินต้นไม้เนี่ยไฟป่ามาต้นไม้กลุ้มใจไหมออไฟไหมมาแล้วต้นไม้ไม่กลุ้มใจเลยต้นไม้ก็ยังยิ้มอยู่เงี้ย <c oughs> พอความร้อนมากก็กระเดือนหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ไหมไปเลยอย่าไปฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะรู้สึกตัวไปเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ใจขอาเราเป็นแค่คนดู spices. ให้เห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูให้เห็นว่ารลภโกรหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูดูเราจะเห็นอะไรก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเช่นร่างกายที่หายใจออกใจเราเป็นคนดูอยู่เมื่อร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายหายใจมันไม่ใช่เราหายใจร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้า เนี่ยฝึกไปด้วยนะเจอทั้งวันหนึ่งมันรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรางั้นต่อไปเวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายเนี่ยเราจะฝึกถึงขนาดนี้นะเราสบายขึ้นทไงเยอะเลยเพราะเราเห็นความจริงสบายเพราะเห็นความจริงไม่ใช่สบายเพราะว่าฝึกจิตให้นิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอย่าไปฝึกอย่างนั้น พระาอรหันยังคิดเลยพระพุทธเจ้าคิดไหมคิดสิไม่คิดจะพูดกับใครรู้เรื่องได้ไงท่านต้องวางแผนนะตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะพิจารณาวันนี้จะไปสอนใครนี่คือการกําหนดเป้าหมายจะสอนใครจะสอนอย่างไรจนะมีกระบวนการเช่นเดินผ่านไปให้เขาเห็นแล้วเขาจะถามนีถ้าถ้าผ่านไปเฉยๆมันไม่เห็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกให้มันถามธรรมะให้ได้ หรือถ้ามัไหนถามจริงๆเดินไปถามมันเองเนี่ยท่านเอาเหมือนกันนะจีท่านก็เดินก็ไปถามเอาเหมือนกันนะเนี่ยท่านกำหนดเป้าหมายกําหนดวิธีการะกําหนดเนื้อหาที่ท่านจะคุยออกับเขานะแล้วก็ไปจัดการแล้วท่านวางแผนเนี่ยท่านท่านพิจารณาเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าเมื่อท่านสอนแล้วจะได้ผลอย่างไรเนะี่ยไหมคล้ายๆการทํางานที่ดีเลยนะ เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเราจะทําอะไรจะทําอย่างไรมีทรัพยากร อ, อะไรที่จะใช้ทำแล้วจะได้กําไรเท่าไหร่ต้องประเมินต้องทําให้หมดเลยพระเจ้าท่านไม่ต้องคิดอย่างพวกเราท่านใช้จิตที่มีคุณสมบัติพิเศษเช้าขึ้นมาท่านก็พิจรารณาวันนี้ท่านจะไปสอนใครจะไปสอนตอนเริ่มต้นจะทํำยังไงเนื้อหาที่สอนจะเป็นยังไงสอนแล้วเขาจะเข้าใจได้แค่ไหน คนนี้จะบรรลุโสดาแล้วหรือบางทีจะไปถามคุยกับคนนี้นะเพื่อให้คนที่ได้ยินบนรรลุอย่างนี้ก็มีนะไอ้คนที่เถียงกับท่านอยู่เนี่ยไม่บรรลุอะไรหรอกบร A v รลุอเวจีมันเถียงลูกเดียวเลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆได้ผลเลยเนี่ยคื อ, ค, อคือท่านคิดนะไม่ใช่ท่านไม่คิดนะนนเพราะเราอยากไปฝึกตัวเองให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะแต่ว่าถ้าเมื่ อ, อไหร่เราภาวนาจะถึงจิตสุดแล้วนะ จิตเราพ้นจากความปรุงแต่งนะความคิดนึกปรุงแต่งมีแต่มันไม่กระทบจิตมกระทบเข้ามาไม่ direct, ถึงจิตตัวนี้ต่างหากล่ะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิต Olive, ได้ไม่ใช่ไม่มีความปรุงแต่งตามใดที่ยังมีขันอยู่มีกายมีใจอยู่ความปรุงแต่งยังมีอยู่แต่ความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ว่าชั่วหรือดีสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่มากระทบกระเทือนเข้าถึงจิตใจเลยนะจิตเป็นอิสระจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง เนี่ยค่อยๆฝึกเอานะค่อยๆฝึกค่อยๆดูฝึกกันแรกเลยสรุปเลยนะต้องถือศีลห้าไม่ถือศีลห้าใช้ไม่ได้นะถ้าไม่สื่สื่อศีลห้าใจจะฟุ้งซ่านพวกมีศีลใจไม่ฟุ้งหรอกคนที่จะเป็นชู้กับคนอื่นนะฟุ้งซ่านนะคนที่กลับไปหายายแก่ที่บ้านไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาอย่างเดียวเลยเออไปไปเจอสาวๆกระดีกระด้าใจแปล้งใช่ไหม เจอยายแก่ที่บ้านใจราบเรียบเหมือนแผ่นกระจกโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไระสบายมันมีศีนะมันดีตรงนี้คนที่คิดจะฆ่าเขากับคนที่เมตตาเขาเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยจิตสงบนะคนที่คิดทํำลายคนอื่นสิ่งสัตว์อื่นไม่สงบนะคนที่จะขโมยของเขาเนี่ยไม่สงบคนที่ให้เขาได้นะใจสงบกว่าคนที่ซื่อสัตว์ในคู่ของตัวเองใจสงบง่าย คนที่นอกใจกันเองนะไม่สงบคนปิ้นปล่อนหลอกลวงตลบแตะแลงไม่สงบคนพูดความจริงสงบง่ายเพราะไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องจำมากใช่ไหมต้องคิดด้วยใช่ไหมว่าทำยังไงเขาจะเชื่อพวกเราใครเคยโกหกบ้างดูซิจะมีใครโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกนะซ้ะก็เหมือนกันละว่าต้องตองเคยบ้างหละ่นะสมัยเป็นโยมอย่างเงี้ย เวลาโกหกครับกลัวเขาจับได้ไหมเพราะว่ายิ่งโกหกคนนี้ไปอย่างนี้นะโกหกอีกคนนี้อย่างนี้นะไม่ตรงกันสองคนนี้แล้วไอ้สองคนนี้มาเจอกันเนะี่ยจะต้องดคิดวิธีโกหกอย่างที่สามเพื่อให้สองข้างนี้มันเชื่อเห็นไหมมันเหนื่อยไหมไม่เหมือนพูดความจริงนะพูดความจริงไม่ไมต้องคิดอะไรมากเลยจริงก็คือจริงก็จบกันตรงนั้นเองนะ งั้นเราต้องมีศีล น, นะการมีศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียน er คนอื่นไม่เบียดเบียน er สัตว์อื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียน er ตัวเองด้วยการทําลายสติศีลหข้อเนี่ยสำคัญนะศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่เบียดเบียน er ชีวิตร่างกายของคนอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายรักที่สุดเขารักชีวิตเขามากที่สุดใช่ไหมศีลข้อหนึ่งถึงเริ่มต้นเลยในเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทํำลายสัตว์เพราะอะไรมันเป็นสิ่งชีวิตมนะันเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุด ไม่ขโมยของเขาทรัพย์สมบัติก็เป็นสิ่งที่เขารักใช่ไหมไม่ตัดทุจร้ายลูกเมียเขาลูกเมียเขาเป็นสิ่งที่เขารักแต่ไม่แกล้งด่าเขาว่าเขาอะไรนี่ทำบ้าอะไรนี่ไม่ทํำลายชื่อเสียงเขาชื่อเสียงเขาก็เป็นสิ่งที่เขารักอย่าง น, นีท่านมีการจัดลําดับเลยนะว่าชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเอาหลักที่สุดนี่บางคนงเริ่มเฉียงเอ๊ะทำไมศิลข้อสองกับสอะไรจัดลําดับอย่างไนดีกว่ากัน ยังหนุ่มยังสาวก็บอกว่าคู่เราเนี้ยสำคัญมากใช่เขาแก่ขึ้นมานะอีแก่ที่บ้านตายก็ช่างมาเถอะขอให้มีเงินก็นแล้วกันนะมันจะเป็หลงตรงนี้นะนไปรักสมบัตินะไม่ค่อยรักคนนะนะีม่นมันมีลำดับนะแล้วนะแต่ว่าร่ำรวยนะสุขกายสบายใจร่ำรวยทรัพย์สมบัติเยอะนะบริวารแวดล้อมลูกเมียอยู่ครบครันถูกคนเขาดา่าเฉยๆฉยนะนะ เพราะงั้นชื่อเสียงเนี่ยกลายเป็นลาดับหลังเลยเนี่ยคนทั่วๆวไปมันเป็นอย่างนี้ดะงนั้นศีลห้านะมันจะไล่เรื่องผลประโยชน์มาตามลําดับเลยชนประโยชน์สูงสุสดคือชีวิตร่างกายก่อนดงนั้นห้ามไว้กวดอันนี้ร้ายแรงที่สุดข้อห้าเนี่ยทำร้ายอะไรทําร้ายตัวเองข้อ5้ที่เล่าเมายาขาดสติขาดสติซะตัวเดียวนะคำชั่วได้ทุกอย่างเลยดังนั้นเรามีศีลห้านะไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายตัวเอง ใจเราสงบง่ายถัดจากนั้นก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปอะไรก็ได้ที่ถนัดนะอะไรที่มีความสุขก็ทําไปเถอะอะไรที่มันไม่ยั่วกิเลสก็ทํำไปบางคนบอกว่ามีความสุขในการได้ด่าคนอื่นเคยไหมมีความสุขในการดินทามีไหมก็ไอ้พวกนินทานั่นแหละมันมีความสุขแต่ว่ามันยั่วกิเลสปกติก็ยั่วมือยั่วเท้านะไม่ใช่ยั่วกิเลสอย่างเดียวนะ ย้อนถึงมือถึงเท้าเลยเนี่ยเราค่อยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปเพ่งก็รู้ฝึกไปได้จิตใจจะอยู่กันเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วก็ให้คิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยผมกดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูไม่ใช่ตัวเราดูเปทีละส่วนทีละส่วนไปกระตุ้นให้จิตหัดมองไกลลักระ นี่บางคนไม่ต้องกระตุ้นพอรู้สึกตัวปุ๊บเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้ไม่ต้องคิดมันเลยขั้นที่ต้องคิดไปแล้วอันนั้นนะให้ดูให้รู้อย่างที่มันเป็นวิปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดปัสนะว่าการเห็นวิะบว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะงั้นอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆชยใช้ไม่ได้นะ รู้ตัวเราก็ต้องเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานเจอทั่งปัญญามันเกิดออกายที่ทํางานนี่นะมันทําไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเพราะมันทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเฉยๆมันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันไม่เที่ยง เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุ น, นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่สแสดงความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีห้ามชั่วมันจะชั่วอะไรเนี่ยเมื่อเวลาดูกายเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ง่ายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตดูใจเนี่ยตัวที่เห็นง่ายคืออนจจอนิจตตา ในบทธรรมวัดเช้าจะมีใช่รูปังอนิจจังเห็นไหมเมธนานิจจาเรีอยไล่ๆๆไปครบห้าตัวรูปังอนัตตาไม่มีรูปังทุกขังเนเพราะอะไรคำสอนเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยมุ่งกับพวกที่ชอบดูจิตพวกที่ชอบดูจิตใจดูนมามธรรมถ้าพวกที่ชอบดูรูปประทับเนี่ยท่านสอนเรื่องอายตนะหก ตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันนี้เป็นวัตถุเห็นไหมเป็นรูปธรรมมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมาแต่ถ้าพวกชอบดูจิต ด, ดูใจนะมีรูปอยู่หนึ่งเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญานี่เป็นส่วนของนามธรรมานะงั้นอย่างถ้าเราดูนามธรรมาเนี่ยนามธรรมาเนี่ยจะแสดงอนิจจ์อนัตตาง่ายนะดูทุกข์ยากนะเพราะมันสั้นนิดเดียวมันแว บ, บเดียวมขาดกนะันแดูทุกข์ยากร่างกายมันอยู่ อายุยืนกว่านามธรรมเราสองกระจกดูทุกทุกชั่วโมงเราจะเห็นว่าหน้าเราเปลี่ยนไหมเห็นยากนะต้องดูรูปถ่ายใช่ไหมดูวิ้ยรูปเมื่ปอปีกลายสาวกว่า น, นี้ตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรูปมันเปลี่ยนแปลงช้าดูยากแต่ถ้าดูจิตใจเนี่ยนะเปลี่ยนปับป๊ บ, บตลอดเวลาเลยะฉนั้นไปหันดูนะดูดูบ่อยๆแล้วก็จะเห็น ความเปลี่ยนแปลงของตัวเองความทุกข์มันจะน้อยลงมันจะสั้นลงเมื่อมันเข้าใจความเป็นจริงของโลกถ้าเห็นทุกข์นะก็จะพ้นจากทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เข้าใจทุกข์จะทุกข์ไปเรื่อยเรเห็นทุกข์ก็คือการเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจเรล่านี่เองถ้าเราเห็นความจริงของมันได้นะใจจะปล่อยวางความยึดถือรูปนามปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปโดยเฉพาะการปล่อย นำมาทําตัวสุดท้ายที่ปล่อยยากที่สุดคือจิตถ้าเมื่อไรปล่อยวางจิตสตัวเดียวก็คือปล่อยทั้งหมดล้วจิตตัวเดียวจิตดวงเดียวเนี้สามารถไปงอกขันห้าขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยไปเกิดขันห้าใหม่ขึ้นมาได้เลยเพราะฉนั้นถ้าจิตยังมีเชื้อแห่งความเกิดคืออวิชชาซ่อนอยู่ยังไงก็เกิดไปสร้างขันห้าใหม่ขันห้านี้แตกดับไปก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่อีกต้อทําลายเชื้อของมันหรืออวิชชา นะหัดรู้ความจริงหัดรู้ทุกข์ให้มากจนวันใดเห็นความจริงนะว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์ในี่ยจะล้างล้างอาวิชชาสิ้นเชิงเลยเพราะอะไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแนละ้วจิตนี่เป็นตัวที่ดูยากที่สุดว่าเป็นตัวทุกข์นะร่างกายอย่างนี้หรือความรู้สึกหรือ ด, ดีชั่วอะไรเนี่ยดูง่า ย, ยาว่าเป็นตัวทุกข์จิตเนี่ยดูยากต้องฝึกกันฝึกกันหลายปีนะค่อยๆหัดไปพอสมควรแก่เวลาแล้วะ มีสมุดบ้านไหมไม่มีจะได้กลับแล้วหลวงพ่อนะ่ะไม่ไม่ยอมให้เสียเวลาเลยนะเสียเวลาเมื่อก่อนไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะพอเรียนจบหมดข้อข้องใจแล้วกราบลาแล้วไม่มานั่งละเลียดชมบารมีไม่เอาหรอกเสียเวลากิเลสท่วมหัวมือได้ชมคนอื่ น, นจะ ไ, ได้อะไรนะเอาเวลาของเราไปสู้ตาย ไปสู้เป็นล้านกิเลสของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไม่ไปนั่งแช่อยู่กับครูบาอาจารย์นะแล้วก็ติดนิสัยด้วยไม่ให้ลูกศิษย์มานั่งแช่อยู่กับหลวงพ่อหรอกไปกลับบ้านไปไปทําเอานะอถ้าแม่ทาเอาอย่ามาคุยอวดนะเพราะเป็นลูกศิษย์เราก็ร <c oughs> าหลวงพ่อเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์แนละ้วไม่เคยต้องให้ท่านสั่งครั้งที่สองเลยว่าไปทํานะขยันเข้านะอย่าขี้เกียจนะประโยคเหนี้ไม่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์เลย ก็ไม่เคยขี้เกียจเลยดังนั้นท่านให้ทำอะไรนะทำสู้ตายไม่ยอมเลิกหรอกตอนเด็กๆไปเรียนกับท่านพอรีวัตถสุภธรรมท่านสอนอนาปนสติให้ใหายใจออกรู้สึกตัวให้ยใจเข้ารู้สึกตัวนับหนึ่งนับสองไปด้วยนะทำทุกวันไม่เลิกเลยทำอยู่ยี่สิบสองปีทั้งๆที่ทำได้แต่สมถะคือมิปัจฉนาม่เป็นไม่ใช่ท่านพ่อรีไม่เก่งนะแต่ว่าท่านสิ้นไปอย่างรวดเร็ว หลวงพ่ออายุไม่กี่ขวบท่านก็สิ้นแนละ้วจน22ปีผ่านไปนะไม่เจอโลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นไปรักษาจิตให้นิ่งว่างอยู่ท่านบอกทําผิดนั้นแทรกแสงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้มันนิ่งนะแล้วก็ไปดูจิตเมืนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกวันดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยดูไปด้วยจนเดี๋ยท่านมัเข้าใจจิตมากขึ้นมากขึ้นนะ ถ้าเข้าใจจิตได้ก็เข้าใจอย่างอื่นหมดแล้วแหละค่อยๆฝึกไปจบแล้วนะ